สิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราไม่เคยทำสักอย่างเลยเห็แล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่ในเราแม้แต่นิดเดียวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เรียนอ่มันเป็นปฏิฆานิมิตอย่างหนึ่งเหมือนกันคือวิชาใดถ้าสิ่งนั้นเรามีนะโอ้สบายนะ อ, อย่างสมมติเราพูดเรื่องทานนะคนที่ชอบให้อยู่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ยากพาพูดเรื่องศีนลนะศีลไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยมันลาบากแลทีนี้ศีลเนี่ยเราเรา จะมีเลขห้าเลขแปดใช่ไหมเราจะจําได้แค่นี้ยอันนี้ก็โอ้ชั้นหนึ่งแล้ว <S <S แต่ว่าตัวศีลจริงๆอ่ะคืออะไรเราก็ไม่เคยได้สนใจนะเพียงแต่ว่าเออหนึ่งไม่ขาดไม่ละทับพูดเพื่อให้มันผ่านเพรื่อนคําพูดถึงศีลเนี่ยนะ <S <S พูดเพื่อปัดประเด็นซะส่วนใหญ่พูดเสร็จแล้วก็ปัดแต่ว่าไม่ใช่พูดใน ล, ลักษณะศีลกถาอ่าถ้าถ้าเราเอาเอาศีลมาตั้งเลยศีลดียังไงยังไง เอามาตั้งอย่างนี้แล้วค่อยๆขี่ตามนั้นไปจึงจะเห็นศีนมีลักษณะอย่างไรศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีฮิรโอตปะฮิรโอตปะมีกี่ย่างเราก็มาคิดทําไมจึงเป็นปัจจัยแก่ศีนอย่างนี้เพราะว่าการเรียนเรื่องศีนนั้ น, ม, นมันมีสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือคนที่เขาเรียนมาก่อนเขาแนะนําให้อีกวิธีหนึ่งก็คืออ่านทิ้งไว้ก่อน อ่านทิ้งไว้อีกสองเดือนมาอ่านใหม่แล้วก็อ่านอีกครั้งหนึ่งก็ทิ้งไว้อีกอีกสเดือนมาอ่านใหม่เนี่ยนะประมาณทิ้งไว้สกักสองสปีแล้วค่อยเอามาตรึกได้ธรรมะที่เราจะเอามาตรึกได้นั้นเอามาพิจารณาได้ต้องจําเรื่องนั้นได้อย่างน้อยที่สุดต้องมองโครงเรื่องนั้นทั้งออกทั้งหมดเลยแล้วก็ฝึกตรึกตามนั้นไปแล้วค่อยเรียงลําดับไปว่าอะไรเป็นอะไรหนึ่งสสมสี่แล้วค่อยๆเห็นความสัมพันธ์กัน ถ้าถ้าของพวกเราที่ศึกษาเนี่ยมีวิธีนี้วิธีเดียววิธีอื่นนะวิธีอื่นก็เพิ่งอาจารย์อย่างเดียวแต่ทีนี้อาจารย์ไปหาที่ไหนนแต่ที่ที่ได้รับความเข้าใจจากท่านอาจารย์สมบัติได้สรุปนั้นก็ช่วยไปเยอะช่วยไปเยอะน ะ, ะก็มาสดุดหยุดตอนหนึ่งที่ว่าเจตสิกเป็นสีนี่นะฮะ ในวิสุทธิมรรคไม่ค่อยได้กล่าวถึงองค์ธรรมที่เป็นสัมมารกรรมันตสัมมาวาจาสัมมาอชีวะนั่นนะคงกล่าวถึงสามตัวสุดท้ายคืออนัภิชาอัพยาปาทะสมาธิเทยังท่านแสดงทั้งสองในนั่นแหละแต่ว่ารายละเอียดไม่ค่อยอธิบายนี่ยรายละเอียดไม่ค่อยอธิบายเพราะว่าคําพูดในวิสุทธิมรรคนั้นเป็นการเรียบเรียงหัวข้อให้อีกครั้งนึ่ง ซึ่งไม่ได้มุ่งอธิบายโดยละเอียดนะที่ละเอียดมากท่านไปอธิบายเจตุปริสุทธิศีลนะไปอธิบายที่ปาริโมคะสังวรอินทร์สังวรปัจญาสันนิสิตสินแล้วก็อาชีวะปาริสุทธิสินท่านเน้นเจตุปริสุทธิสินส่วนในยะอื่นๆนี่ก็พูดผ่านๆไปนะพูดผ่านๆอย่างเดียวแต่ว่า <c oughs> อ่านแล้วทําให้เห็นว่าศีลมีความสําคัญมากๆเลยนะ ศีลมีความสําคัญเรียกว่าแต่ก่อนนี้เราให้ความสําคัญน้อยมากเดี๋ยวนี้ให้ความสําคัญมากเลยนะถ้าไม่มีศีลท่าอย่างนึงนี่ยาวยาวหวังเลยที่จะไปเจริญสัมมาส ม, มาธิหรือว่ า, เ, า, เ, าเรื่องปัญญาข้างบนยากมากถ้าถสมมุติว่าถ้าเราไม่ศึกษาไม่รู้เรื่องศีล น, นะฮะแล้วเราก็ไปเจริญเวทนาบอกโอ้สติที่ฉันเกิดเยอะเหลือเกินอย่างเงี้ยหึเกือบจะเห็นนามรูปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้นะครับ ชักสงสัยเหมือนกันนะครับว่าในเมื่อขั้นตอนมันมีอย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าต้องเป็นส <c oughs> ิกขาสามใช่ไหมไตรสิกขาเนี่ยจะต้องเรียนตามลําดับด้วยนี่นะแล้วก็พระองค์ยังเน้นอีกนะครับว่าเรื่องสีเนี่ยเป็นเอ่อเป็นเบื้องต้นแห่งปรมาจา ร, รย์พูดไว้ตรงๆเลยนะพูดไว้หลายแห่งทีเดียวนะคือตรงนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องของ ทำมังสรนังฆาชามิแล้วว่าเรามีอะไรเป็นทำมังสารนังฆาชามีกันแน่เพราะว่าคนที่เจริญวิปัสสนาทุกวันเนี่ยนะไม่ได้เอาพระปริยัติธรรมเป็นทำมังสารนังฆาชามิเห็นไหมเมื่อเขาหลุดเข้าไปในกลุ่มใดหัวหน้ากลุ่มแนะนําอย่างไรนั่นแหนะคือคือข้อปฏิบัติของเขาคําสอนอันนั้นคือที่พึ่งของเขาอัน น, น้เขาก็จะอนุวัตทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อคําสอนอันนั้น อย่างนั้นเพื่อคําสอนอันนั้นเมือ่อเมื่อผู้ใดกล่าวคําสอนอีกอย่างหนึ่งเข้ามาเขาก็ไม่ไมไมไมสนใจเพราะเขามีคําสอนแบบนั้นเป็นสารณะอยู่แล้วั น, น, นมีมีผู้ชี้วิธีทางอันนั้นให้เขาอยู่แล้วเขาเชื่อมั่นในแนวทางอันนั้นอยู่แล้วเพาเขาก็ระดมความคิดระดมสติปัญญาทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับคําสอนอันนั้นอันนั้นกลับทุกๆค่ายเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราหลุดไปนับถือผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นอย่างนั้นหมดเลย อที่เราได้รับฟังมานะฮะถ้าสมมุติว่าเราเจริญสติแล้วก็สมมุติว่ามีรูปารมณ์เป็นอารมณ์นั้นเนี่ยขณะที่เราพิจารณาเสียงในขณะนั้นมีศีลแล้วเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าท่านว่าอย่างนั้นนะว่าเพราะว่าเรากําลังเจริญอริยมรรคมีองค์แปดเพราะฉะนั้นนี่นะครับก็ศีลมีแล้วนะ <c oughs> แล้วก็สมาธิก็มีแล้วก็คานิกะนั่นแหละคณิการนั่นแหละ เ ป, เป็นสัมมาสมาธิโดยถ้าหากว่าคณิกะเป็นสัมมาสมาธิจริงนะครับก็คณิกะมันมีกับทุกขณะจิตใช่ไหมครับทุกขณะจิตเลยก็ในเมื่อมีทุกขณะจิตเนี่ยพระองค์ไม่ต้องตัดก็ได้เพราะมีอยู่แล้วจึงจึงจะต้องไปตัดทําไมวันนี้นะเป็นสัมมาสมาธิก็คณิกะนั่นแหละเป็นสัมมาสมาธิอยู่แล้วเข้าเน้นอยู่ด้วยเน้นด้วยอถ้าหากว่าเราจะจะคุยอย่างนั้นนะ แล้วก็ควรเอาเอาสูตรมาตั้งเลยเอาสูตรมาตั้งก็คือพื้นฐานที่เรารู้อยู่แล้วยกตัวอย่างสีเนะสีถ้าสีเฉยเฉยเนี่ยนะบอกว่าคนเนียมีผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวบอกว่าฉันใส่ใจใน ล, ลักษณะของสีเนะก็คือวิญญาณเกิดขึ้นหรือจิตเกิดขึ้นน้นนะจิตอันนี้ ส่วนใหญ่ก็บอกว่าสติน ะ, โ ด, นะจจโดยที่มีสีเป็นอารามณปัจจัยโดยที่มีสีเป็นอารามณปัจจัยบอกว่าเขาใส่ใจอย่างไรจรึงเรียวกว่าวิปัสนาบอกว่าใส่ใจที่ลักษณะของสีคือลักษณะที่ลักษณะอะไรก็อธิบายไปตามนั้นเป็นอนารมณะบางเป็นอะไรบ้าง ก, ก็อธิบายไปถามว่าถ้าตัวนี้เป็น สติประฐานเนี่ยนะสติประธานอันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยสติประฐานมีสุดจิต3เป็นปัจจัยถ้าสติประฐานที่ถูกต้องในคาสอนที่มีสูตรรองรับก็คือสุดจิตสนะแสดงว่าคนคนนี้รู้เรื่องอารมณ์อันนี้ว่าอารมณ์อันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดกายทุจริตได้อย่างไร วัจีทุจริศได้อย่างไรแล้วก็มโนโทุติจเรศได้อย่างไรเขามองอารมณ์นี้ออกเป็นอย่างดีเลยนะเขาจึงใส่ใจโดยความเป็นสีเมื่อใส่ใจโดยความเป็นสีเนี่ยเขาใส่ใจทำอะไรเพื่อที่จะมองถึงความเป็นปัจจัยของสิ่งนี้เเพื่อให้รู้ปัจจัยของสีเพราะว่าถ้ารู้แต่สีเฉย โดยที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะไม่รู้สักอย่างเลยคือสีเท่านั้นเองสรุปแล้วเราเราเราได้ความรู้อะไรบ้างจากการเออนี่สีทั้งหมดเลยนี่คือสภาพของสีเท่านั้นเองถามว่าเมื่อเราใส่ใจโดยสภาพาสีเท่านั้นเองนะเอาเรื่องอริยสัจมาตั้งเลยทุกสมุทัยนิโรธและก็มามาตั้ง อารู้ทุกทุกมีอะไรบ้างนะเอาสูตรมาไล่เรื่องทุกเนี่ยนะที่เป็นพระธรรมคำสอนเนี่ยนะเอารายละเอียดเรื่องทุกชาติพิทุกขาชาราพิทุกขามารณะพิทุกขังจนถึงอุปาทานขันเป็นต้นเนี่ยนะแล้วสีมันเป็นทุกขเหล่านั้นได้อย่างไรใช่ไหมพันพวกนี้ต้องต้องวิจัยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาพิจารณาสีเนี่ยนะในเบื้องต้นเลยต้องรู้ว่าท่ากายะทุจริตกับสีเป็นอย่างไรอ่าเพราะว่าสีเนี่ย ผู้ที่ศึกษาพระธรรมมาจะต้องรู้อยู่แล้วว่าสีนี้มีสมุธฐานสอย่างคือกรรมจิตอุตุและก็อาหารเพราะว่าพระ อ, องค์นี้ทรงประชุมอริยสัต์ลงที่กายาวาหนาคืบกวาบ้างศอกเนี่ยนะพระ อ, องค์ตรัสเลยแล้วก็มีในหลายแห่งมากาว่า การเจริญวิปัสนาหรือการพิจารณาเรื่องอริยสัจนั้นอะ่ะพิจารณาที่กายนี้เนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่ไม่พิจารณาภายนอกพิจารณาภายนอกแต่เราติดใจมากที่สุดคือติดใจที่ที่กายสมมุติว่าภูเขาไฟระเบิดกับสิวอกแตกอันไหนทุกกว่ากันอันไหนทุกกว่าสิวแตกนะนิดเดียวเองอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเราติดมากกว่า เพระพั้นพงศ์จึงสอนให้พิจารณาภายในเมื่อใส่ใจโดยความเป็นสีก็จะได้ใส่ใจไปที่ปัจจัยของสีนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสีผิวเมื่อคนวิจัยสีผิวนั้นอ่ะในกลุ่มกรร ม, มชัรูปเขาจะต้องรู้เลยว่าสีบางอย่างเกิดร่วมกับกายทัศกะสีบางอย่างเกิดร่วมกับภาวะทัศกะสีบางอย่างเกิดร่วมกับอะไรชีวิตอัน นะชีวิตตนะนวาการกลาบแต่ว่าท่านไม่ค่อยแสดงแบบนี้เห็นไหมก็คือสีที่เกิดร่วมกับกายสีที่เกิดร่วมกับภาวะแล้วสีที่เกิดร่วมกับภาวะเนี่ยนะพระองค์ตรัดมากเลยไม่มีสีใดที่จ ะ, ท, จะที่จะทําให้ใจของบุรุษเห็นไหมเรียกว่าซึ้งเข้ากับสีของสตรีย่างนั้นเถอดนะครแล้วก็สีฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละเป็นที่ เป็นที่ติดตาตรึงใจบุรุษมากที่สุดว่า ง, งั้นเถอะเพราะฉะนั้นสีอันนี้จึงได้รับการพิจารณาว่ามาจากปัใจจัยใดเนี่ยนะก็เริ่มใส่ใจไปที่สีแล้วสีเนี่ยประกอบด้วยรูปกี่รูปใช่ไหมในกายทะกลมกรรมกลมรูปที่เกิดจากจิตนะจิตที่ทำให้เกิดสีมีกี่ชนิดนะแล้วก็กลมอาหารแล้วก็กลมอุตุเนี่ยนะ เพราะพวกนี้จะได้รับการวิจัยทั้งหมดเลยเพราะว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะถ้าใส่ใจ ส, สีเฉยๆเนี่ยนะวิชากรรมสักตายัางไม่ได้เลยนะเนี่ยนะถ้าสีเฉยๆนะเรื่องกรรมยังไม่รู้เลยเพราะจะต้องไปต่อเรื่องกรรมสมักตาก่อนว่าถ้าสีเหล่านี้มาจากกรรมในอดีตอย่างไรแล้วสีที่กำลังเกิดขึ้นมีจิตใหม่ๆที่เป็นปัจจัยแก่สีเนี่ย ด้วยโลภ้าแปดโทสะสองโมหะสองหรือมาหากุศลจิตแปดเนี่ยนะซึ่งเป็นปัจจัยแก่เรื่องกรรมต่อไปในอนาคตนะจริงอยู่เขาทำจิตตชรูปแต่เจตนาที่เกิดร่วมกับจิตเหล่านี้เป็นกรรมต่อไปเนี่ยนะแล้วจิตกับกรรมมีอิทธิพลต่ออาหารอย่างไรที่เข้าไปหล่อเลี้ยงกายนีแล้วก็อุตุ เ, เมื่อความเข้าใจอันนี้ดีเสร็จก็สงเคราะห์เรื่องโดยความเป็น ขันเพราะวิปสัสนาภูมิเนี่ยท่านขึ้นต้นโดยความเป็นขันเมื่อรู้ปัจจัยดีอย่างนี้แล้วสีทั้งที่เป็นอดีตพระพุทธพจน์นะอะติตานาคตะพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอดีตเนี่ยขึ้นต้นก่อนนะของไทยเราชอบปัจจุบันขึ้นก่อนพระพุทธพจน์ใช้คําว่าอะติตานาคตะปัจจุบันนางัชตังวาปะหิตทาวาอุลาริกังวานะสี ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีทไกลใกล้เนี่ยนะทั้ง11อย่างเนี่ยจะต้องได้รับการวิจัยทั้งหมดสีชื่อว่าอดีตอดีตมีกี่อย่างอดีตตาอัาอดีตะสมัยอตีตสันตติอตีตาขณะนะพวกนี้ต้องวิจัยทั้งหมดเลยนะต้องต้องวิจัยทั้งหมดทั้งปัจจัยสมุดฐาน อันนั้นเมื่อเข้าใจอดีตก็จะเข้าใจอนาคตและปัจจุบันเมื่อเข้าใจอย่างนี้ภายในภายนอกอ่าพวกนี้จะวิจัยทั้งหมดเลยแล้วต่อไปว่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยนะคือสายสมุทัยศัตยังยังทำไมก่อน <c oughs> จําได้มีครั้งหนึ่งเราเนี่ยมันเหอเรื่องเกิดดับมากจะให้เห็นเกิดดับเลยแตกระยิบระยับระยิบระยั บ, ะยบนะ มองเห็นอะไรเราก็คิดเลยแตกระยิบระยับระยิบระยัประยิประยับโอ้โเรานี่ลึกซึ้งมากยังแอบยิ้มในใจเลยนะโอ้โหเรานี่ลึกซึ้งมากนึกเห็นอะไรก็ยิบยิบยิบยิบเสร็จแล้วเราก็ไปค้นคัมภีร์ใหม่ไอ้เกิดดับของเรานี่มันมันละกิเลสอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วเราก็อ่านในวิสุทธิมรรคกับในปฏิสัมพิามรรคเนี่ยนะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเห็นเกิดละศาสถิติี่ได้ถ้าเห็นเกิดละอุเฉททิฐิได้ถ้าเห็นเสื่อมละ สัตตะที่ถีได้ถ้าเห็นเกิดเนี่ยเท่ากับเพราะว่าถ้ากรู้ขันห้าจะเกิดเกิดเพราะปัจจัยเกิดอันนั้นเห็นสมุทัยสัตว์นะแล้วตัวตัวรูตัวขันคือทุกขสัตว์นี่ของเราเนี่ยประชุมมารยิยสัตว์อะไรไม่ได้ฟอย่างเลยนะตอนหลังก็ต้องทำจะลืมความแนวความคิดของเราทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆจําว่าคําสอนท่านท่านแสดงไว้อย่างไรนะแล้วก็เอาคําสอนมาตั้งแล้วค่อยๆพิจารณาตามคําสอนอย่างเดียว เ, เพราะว่า คำสอนส่วนนี้ไม่อยู่ในวิสัยแห่งตรา ก, กะแล้วเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องสีดีนะจะเชื่อมต่อด้วยปฏิจจสมุปบาทได้น ะ, ะถ้าถ้าเชื่อมต่อด้วยปฏิจจสมุปบาทเชื่อมอย่างไรในนี้มีปฏิจจสมุปบาทไหมในสีมีมีอะไรบ้างนะในนี้คือรูปใช่ไหมรูปรูปก็เน้นที่กรรมชรรบใช่ไหม กรมาชื้อกับจิตตชื้อรนั่นเองที่นามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะนเพราะฉะนั้นในสีในนี้ก็มีมหาภูต ร, รูปอยู่ด้วยเนีย่ยนะมหาภูต ร, รูปอันนี้เป็นปัจจัยแก่กายนารูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะนัเนี่ยนะเพราะว่าในในสีเนี่ยในผิวของเราเนี่ยมันรับกระทบได้มันจะตอที่ผัสสะออตอที่ผัสสะแล้วเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ ตัหาเป็นต้นต่อไปอีกเพราะฉะนั้นมันจะต้องเชื่อมวิชาเรื่องปฏิจจสมุปบาทวิชาใดาๆเข้ามาอีกให้ได้ในในเรื่องที่เราพิจารณาเพราะไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าสีเฉยๆเพราะว่าอย่าลืมว่าสติปัฏฐานมีสุจริสาเป็นอาหารนะมีมีสุสจริสามเป็นปัจใจเพราะฉะนั้นในสีสีเดียวเนี่ยเขาได้รับการวิจัยแล้วว่าสีอันนี้เป็นอารัมมณะปัจัยของปานาติบาตไหม เป็นเกี่ยวเนื่องต่อปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิจฉาจารไม้ถ้าเป็นพระนะเอาวินัยมาจับเลยในสีสีเดียวเนี่ยสีย น, นี้เกี่ยวเนื่องกับปาราชิกไหมสีย น, นี้เป็นปัจัยแก่สังขาธิเศษไหมสีย น, นี้เป็นปจัจัยแก่ทูลใจไหมเป็นปัจัยแก่ปาจิตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกพาสิเป็นปจัปจัยกกกจแก่อัตต น, น, นั้นไหมแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของสุจริตสาม สุจริตสามเป็นอย่างดีแล้วจิตจึงจะไม่มีอคติในอารมณ์นั้นๆแล้วก็จะใส่ใจถึงปัจจัยเมื่อรู้ปัจจัยเป็นอย่างดีก็เท่ากับกรรมสกตามั่นคงพอกรรมสกตาดีก็เริ่มพิจารณาว่าสีเนี่ยนะซึ่งมีปัจจัยเหล่านี้เป็นเป็นเหตุเนี่ยนะสีเหล่านี้เที่ยงไหมเนี่ยนะถ้าหมดปัดจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งสีอยู่ได้ไหม แล้วก็จะเริ่มตีระณะปริญญาเป็นต้นก็ก็จะมากมากขึ้นนะเริ่มตีรณะปริญญาก็จะมากขึ้นนะเพราะว่าการสติปัฏฐานในคำพีก็คืออาสัมโมหะสัมปัญญะอาสามโมหะสัมปัญญาก็คือการใส่ใจโดยความเป็นขันเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในพระสูตรนะที่กล่าวไว้ในสังยุตธสังยุตตนิกายขันธวารวัก บอกว่าผู้ที่ฉลาดในฐานะเจ็ประการในเจ็ประการเนื้อประการที่หนึ่งก็คือรู้ชัดในรูปคือรู้นี่นะครับรู้ชัดในรูปหมายความว่าคาว่ารู้ชัดในรูปเนี่ยหมายความว่ารู้รอบเป็นเป็นปริญญาแล้วก็ต้องรู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่ารู้แค่สีนี่นะฮอันที่สองก็รู้การเกิดการดับนะครับปฏิปทาถึงการดับรู้คุณรู้โทษรู้การสลัดออกรวมเจ็อย่างแต่อันนี้เป็นอันที่หนึ่ง อันหนึ่งรู้ชัดในรูปก็คือถ้าในชั้นต้นเลยว่าถ้ารู้รูปก่อนรู้รูปอันนี้กับมหาภูตรูปและอุปาทายรูปในสีหนึ่งสีเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยมีมหาภูตรูปเท่าไหร่มีอุปาทายรูปเท่าไหร่แต่พวกนี้ต้องได้รับการตรึกมาเป็นอย่างดีเลยนะใช้คำว่าวิตตกะเพราะว่าวิตกะอันนี้เป็นไปตามที่ฟังมาเนี่ยนะเป็นองค์คูของ หูสูตรอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อเห็นอารมณ์ใดๆก็จะรับเอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมาใส่ใจมาพิจารณาตามถ้าไม่งั้นนะไปพิจารณาเลยไม่ต้องมาฟังนี่ยถ้ามันง่ายๆนะถ้าเออสีเฉยๆโอ้ไม่ยากพูดหคําเท่านั้นเองง่ายมากแต่ไม่ต้องฟังเยอะๆเราลังนึกนะเ อ, อ๊ถ้ามันเ อ, อ๊ถ้าสีเฉยๆอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าทําไมสอนเยอะแยะพระไตรปิฎกมีมากไ ม, ม, กมยเลิกเกินเอ๊มันมันเขาจึงบอกว่าบางท่านก็เลย กล่าวในเชิงไม่ดีบอกว่าปริยัติกับปฏิบัติก็คนละอย่างนะเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นคําพูดอันนั้นของมาไม่ขอพูดตามนะกลัวมีโทษเพราะเดี๋ยวเราจะเสื่อมจากสารณะนะทำมังสารณะก็ช้าม่ได้แก่ปริยัติธรรมนะแต่แต่บางท่านเขาเข้าเป็นอย่างอื่นไปแล้วในยุคนี้เพราะฉะนั้นในชั้นต้นเลยเนี่ยนะที่ที่ศึกษานี้ขอให้เรารู้ก่อนว่าอะไรคือสารณะของเราก่อนให้ให้แม่นยําอันนี้ก่อนนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย จะเอาคําสอนของกลุ่มหนึ่งมาชนกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะถ้าอย่างงีอ้อย่างนั้นการศึกษาเราจะลําบากแล้วแต่ว่าในที่นี้ที่เราศึกษาร่วมกันขอกล่าวตามแนวพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกที่ในยักอัตกรฐานะอัตกถานะาดีกาท่านอธิบายอย่างไรก็จะขอศึกษากล่าวไปตามนั้นอย่างเดียวเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าคําสอนอันนั้นเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนผู้ใดเขากล่าวเช่นใด ก, ก็มาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า จิทจ ต, จ ท, จตจทุกดวงมีเจตนาเกิดร่วมด้วยนะจิตทุกดวงมีเจตนาเกิดร่วมด้วยเจตนาออกมาทางกายกรรมเรียกว่าเจตนาร่วมมาทางกายเรียกกายกรรมร่วมมาทางวจีเป็นวจีกรรมคิดนึกทางใจเป็นมนโนกรรมเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์เขามาด้วยบุญของเขาหนะที่เขาเกิดเป็นมนุษย์อะแต่ชีวิตต่อไปของเราเนี่ยเราจะไปด้วยกรรมของเรา เราทํากรรมอะไรนั่นแหละคือของเราแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้ในหลายแห่งก็คือบุรุษพูดมีตาดีเขาเลือกเดินชันใดนะถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญญาดีเขาก็เลือกทํากรรมเช่นนั้นเหมือนกันทางของเราก็พยายามที่จะเลือกทํากรรมอั้นเราขอเลือกทํากรรมตามตามแนวพระไตรปิฎกอัตถกถาเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะทีนี้มากล่าวต่อไปว่าในการพิจารณาอันนี้เนี่ยในเรื่องสีเนี่ย มีความสําคัญมากก็คือเราทรงจําคําสอนไว้ได้ก่อนแล้วดึงคําสอนมาส่งเคราะห์ลงตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าศึกษาหรือศึกขานั่นเองบาลีใช้คําว่าศิกขาไทยเราใช้คําว่าศึกษาเพราะแปลงมาจากสันสกฤตนะก็คือการศึกษาผลศึกษาอย่างไรเมื่อตามองเห็นเนี่ยนะ เมื่อมีสีเป็นอารามณนะปัจจัยเนี่ยศึกษาอย่างไรศึกษาโดยอธิศีและสิกขาก่อนอย่างเรื่องสุจริสารก็คือเรื่องกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทอย่างละเอียดนั่นเองมาสงเคราะห์ในอารมณ์นั้นๆนนนะมันเอากรรมบทมาสงเคราะห์ในอารมณ์นั้นๆบ่อยๆอันนี้เป็นอธิศีและสิกขาเนี่ยนะเป็นไปเพื่ออธิศีและสิกขาแล้ว ในอารมณปัจจัยอันนี้เป็นอารมณ์ของส ม, มถะได้ไหมเห็นไหมก็ศึกษาเรื่องส ม, มถะออกมายกตัวอย่างพระ อ, องค์แสดงเรื่องกายยคตาสติเน้เ น, นมากก็คือให้พิจารณาในกายเพราะว่าสีอันนี้อยู่ที่กายพระ อ, องค์ก็สอนให้เจริญกายยคตาสติจนถึงกับว่ามีมีบทบัญญัติอยู่อย่างหนึ่งว่าอุปชาจะให้กุลบุตรบวชต้องให้กรรมฐานหาน้าเห็นไเพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่านการบวชมาแล้วเนี่ย อุปชาจะจับมือว่าเกษาโรมานาขาทันตาตโจตโจโรมาตโจทันตานาขาโลมาเกสาเนี่ยนะกลับไปกลับมาอย่างนี้อันนี้เป็นกรรมฐานในพระพุทธศาสนาถ้าผู้ที่มีอุปนิาสัยได้รับการอธิบายโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสประชฉดและสงเคราะห์โดยความเป็นนาะรูป นะโดยความเป็นขันธาอริอยตนะต่อไปเขาก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้อันพระที่โกนหัวแค่แรกเนี่ยนะโสดาบันมีแค่ที่สองสกะท า, าคามีแค่ที่สามอนาคามีหมดหัวเป็นพระารหันพอดีเลย <c oughs> คนมีบุญอะนะอย่าไปเทียบกับท่านเลยเพราะนั้น <c oughs> เขาต้องพิจารณาพวกนี้ก่อนว่ารู้จักมหาภูตรูปและอุปาทายรูปสีอย่างเดียวนี่นะตาเห็นสีแล้วสามารถที่จะ ปรารบถึงมหาพูทธ ร, รูปต่อไปได้ไหมได้เพราะว่าเห็นหน้ายังรู้ชื่อเลยใช่ไหมมันก็ต่อกันไปแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นในเรื่องของสีก็ลักษณะเดียวกันถ้าผู้ที่มีการศึกษามาเป็นอย่างดีก็จะใส่ใจต่อไปในในสีอ น, นั้นเนี่ยนะโดยการพิจารณาเรื่องขันเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วก็จะต่อเรื่องปัจจัยแล้วเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าอย่าลืมว่าที่สุดแห่งคาสอนของพระพุทธศาสนาคืออะไร พุทธศาสนาคืออะไรพุทธคือผู้รู้อริยสัจผู้ตรัสรู้อริยสัจเพราะฉะนั้นการพิจารณาของเราทั้งหมดนะจุดจบคือการแทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้นถ้าว่าดูใกล้กับดูไกลเนี่ยต้องสองอย่างต้องสัมพันธ์กันนะสองอย่างต้องสัมพันธ์กันเสร็จแล้วก็พยายามฝึกแบบนี้จนกว่าจะมองเห็นสิกขาจะรู้ว่าความรู้ความเข้าใจนั่นเองเป็นตัวปฏิบัติเนี่ยนะ เป็นตัวกุศลเป็นต้นนั่นเองในการปฏิบัติเหล่านี้ที่จริงสีเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาอยู่นั่นแหละแต่ว่าเรามีความรู้ไหมถ้ามีความรู้อันนั้นก็เป็นศิกษาของเราก็ในสูตรนั้นนี่นะหมายความว่านี่หนึ่งในเจ็ดใช่ไหมครับและท่านบอกว่าให้สมบุรณเลยแนละ้วท่านก็บอกว่าแล้วก็ต้องพิจารณาโดยวิธีสามวิธีคือสงเคราะห์ลงไปในเป็นเป็นเรื่องของท่า ของอายตนะของปฏิจจมุบาซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้ส่งข้อลงไปแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในพระสูตรสูตรเดียวเนี่ยท่านแสดงไว้สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นเลยถึงกระทั่งสุดท้ายเลยบรรลุเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับที่ที่เราไม่เคยเราไม่เคยได้รับการชี้แจงอธิบายอย่างนี้มาก่อนมีมีใครบ้างครับมีไมไม่มี แล้วเขพูดถึงว่าจะเขียนจริงๆนะตัวจิตนี่นะตัวนี้จะเป็นอารมณ์ของจิตเนี่ยจิตตัวนั้นก็ไม่ใชุ่จิตเห็นอยู่แล้วครับเจนพาถ้าตัวนี้เป็นอารมณ์ของตัวนั้นนะซึ่งตัวนั้นจะต้องมีสติใช่ไหมครับตัวนั้นก็ต้องไม่ใช่จิตเห็นอยู่แล้วนะไม่ใช่อารมณ์ของจักขุวิญญาณเหมือนกันแต่แต่เป็นอารมณ์ของมโนวิญญาณแล้วมโนวิญญาณนั้นนะเขาบอกว่าชาวนะทางปัญจทวารวิถีเนี่ยนะมันทํำงานอะไรมากไม่ได้หรอก นะถ้าตามอัตกถาวิพัง์ที่กล่าวไว้นะบทบาทหรือกําลังเขาน้อยมากเลยทั้าการงานจริงๆก็คือเป็นมโนทวารวิถีเนี่ยนะเป็นงานของมโนทวารวิถีเพราะฉะนั้นจะเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นอริยสัจนะความรู้ต่างๆก็จะเกิดขึ้นที่มโนทวารวิถีมโนทวารวิถีอันนั้นก็อาศัยการนะมโนทวารวิถีเนี่ยนะหรือ มโนเนี่ยนะอุปนิสัยปัจจัยของเขาเยอะปัจจัยใกล้ก่อนใช่ไหมคืออะไรก็คือผวังของคนคนนั้นแหละใกล้ก่อนสองชวนะก่อนก่อนเขาสะสมอะไรมาเขาไปรับรู้อะไรมาเนี่ยนะหรือข้อมูลที่เขากําลังรับอยู่เป็นอะไรความคิดอันนั้นจึงจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็พิจารณาธรรมะนั้นๆไปดังนั้ น, น, นในในผู้ศาสนาในความเป็นสาวกของเราก็คือนะสุ ป, ปฏิปันโน พระวัโตสาวกสังโฆเนี่ยนะต้องจําคํานี้เพราะว่านั่นคือถ้าเราปฏิบัติประสบความสําเร็จนะเราจะเป็นสุปฏิปันโนพระวัโตสาวกสังโฆเป็นพระสงฆ์เนี่ยนะก็คือคําว่าสงฆ์ในที่นี้ก็คือสงฆ์แปลว่าอะไรเนะี่ยโมแปลว่าโมโมชนผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิศีลก็คืออริยศีลของพระพุทธเจ้าทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิตามคําสอน นนคําว่าหมู่หรือคําว่าสงก็คือผู้ที่มีศีลและมีทิฏฐิเสมอกันนี่นะเพราะฉะนั้นพระโสราบั น, นมีศีลมีทิฏฐิเสมอกันอย่างเงี้ยทศก atha าาามีเป็นต้นก็จะมีศีลมีทิฏฐิเสมอกันเพราะฉะนั้นคําว่าหมู่แล้วมู่อันนี้ก็คือเป็นสงสงมู่กลุ่มนี้เป็นผู้ฟังสาวกะคือผู้ฟังฟังใครพระควะโตฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นอย่างดีอุชุปฏิปันโน สุปฏิปันโนก่อนก็คือสุแปลว่าดีไม่ใช่ทุปฏิปันโนเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีดําเนินปฏิปทาตามไตรสิกขาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเป็นอุชุปฏิปันโนไม่ปฏิบัติตามการมสุขคัลิกานุโยคไม่ปฏิบัติเป็นอตตะกิลมัฐานุโยคแต่ปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาแล้วมัชชิมาปฏิปทาของท่านเป็นยายะปฏิปันโนยายะเป็นชื่อของอริยมรรคและ น, นิพานเพราะนั้นปฏิบัติเพื่ออริยมรรคและพระนิพานแล้วก็สามีจิตปฏิปันโนก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมนั้นหมดแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วท่านเหล่านั้นก็คือคู่แห่งบุตรสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุตรนั่นแหละสองสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นแขกที่ดีที่สุดในบรรดาแขกทั้งหมดว่างั้นเถอะเป็นอาหุเนโยปาหุเนโยเป็นสองควรแก่สการะที่เขาจัดร้อยต้อนรับก็คือเป็นแขกที่ดีที่สุดในบรรดาแขกผู้มาเยี่ยมคือ พระที่ที่เป็นอริยะสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะว่าแขกที่เป็นอริยะสาวกเนี่ยนะผู้ใดต้อนรับผู้นั้นก็จะได้รับผลมากมายมหาศาลจนถึงกับว่าท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญของโลกนะถ้าหากว่าการปฏิบัติของบุคคล น, นั้นเป็นไปตามคําสอนเพรา ะ, ะนั้นการศึกษาเรื่องไตรสารณาคมในชั้นต้นก็มีความสําคัญแล้วก็การศึกษาการปฏิบัติของเราก็คือในที่สุดเราก็ปฏิบัติเข้าถึง โลกุต ร, สระสารนคมคือธรรมะก็จะเข้าถึงอริยมรรคและความปฏิบัติของเราก็จะเป็นสุปฏิปันโนโด้วยเนี่ยนะดัะนั้นการการศึกษาควรควรจะเป็นในลักษณะนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไปเรื่อยละเหมือนเดินทางเร้จะไปไหนเนี่ยอันที่จริงนะถ้าเราจะมีความภาคเพียรจริงๆนะแตว่าตรงนี้เราไม่เข้าใจนะแล้วเราก็จดตรงนี้ไปก่อนนะแล้วเราก็เอาไปค้นว่าเอ๊ะ ไอ้คมคมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันมันมันมันต้องอยู่ในในเรื่องของปริเชษหนะเนี่ยเรื่องจิตนะเรื่องเรื่องเรื่องกายเนี่ยเนี่ยพวกนี้อยู่ในนั้นหมดเลยเนี่ยถ้าเราไปคนในปริเชษหกนะแล้วเราเข้าใจตรงนี้ได้นะโอ้โหไปอีกไกลเลยคือถ้าออตรงนี้เนี่ยนะตอนหลังก็ไม่ค่อยพูดถึงมากแล้วก็พูดบ่อยแล้วก็กลัวจะเบื่อแล้วต้อเอาเรื่องอื่นมาม า, มาพูดซะเยอะๆถ้าผู้ใดที่ที่มีความสนใจเรื่องนั้นจริงๆก็หยิบยกมามาสนทนากันก็ได้นะ ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ในในช่วงนี้ก็เลยไปติดพันเรื่องอื่นและก็จะได้กล่าวชัดเจนมากขึ้นอีกครั้งก็ต่อเมื่อเอาสติปฐานสูตรมามาเรียนอีกครั้งหนึ่งนั่นะอันข้อความในสติปฐานสูตรแล้วก็อัตกาถาก็จะช่วยเราเยอะในเรื่องการพิจารณาตรงนี้นะพูดได้พิจารณาได้ครบ7นะกับพิจารณาอีกสามิธีนะั่นนะท่านเรียกว่า ย, ยอดบุรุษครับเจ็ดพัน อ, อยู่จบพรหมจรรย์นนะ่ะไม่ใช่ของเล็กน้อยนะ เพรเมื่อรู้จักรูปอันนี้เสร็จนะก็จะต้องรู้จักความเกิดของรูปบาลีเขาใช้คําว่าสมุทัยยังคะสมุทัยของรูปคืออะไรสมุทัยของรูปคืออะไรสมุทัยเราแปลส่วนใหญ่ก็คือความเกิดนะแปลว่าเกิดอะสมุทัยคืออะไรสมุทัยของรูปก็คืออวิชาเกิดรูปก็เกิดตันหาเกิดรูปก็เกิดกรรมเกิดรูปก็เกิดอาหารเกิดรูปก็เกิดถ้าพูดอาหารนะอุตูชรูปจิตตะชรูปพูดแล้วนะ แล้วก็ตัวรูปก็เกิดแล้วนี่คเครียกว่าความเกิดของรูปความดับของรูปอะไรอะไรคืออัตถังคำะความดือบความดับของรูปอัสดงโคตของรูปเมื่อปัจจัยนั้นๆหมดอวิชาาวชาหมดรูปก็หมดตันหาหมดรูปก็หมดกรรมหมดรูปก็หมดกรรมแน่ดิษนะนอาหารหมดรูปก็หมดเนี่ยนะแล้วก็ตัวรูปเองก็ธรรมชาติของเขาก็เสื่อมสิ้นสลายไปเพราะ วิโรธที่ปัจจัยอยู่แล้วเนี่ยนะคือเหตุเกิดและความดับของรูปแล้วรูปเนี่ยนะก่อให้เกิดสุขโสมนัสไหมอาศัยรูปก่อให้เกิดสุขโสมนัสอันใดอันนั้นเรียกว่าอัสาธาของรูปเรามาแปลว่าคุณกันซะส่วนใหญ่ที่บาลีก็ใช้คําว่าอัาธาความน่าเพลิดเพลินความน่ายินดีของรูปแล้วอะไรเป็นโทษของรูปรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ในเที่ยงก็แปรสภาพไปเป็นอื่นไปแล้วก็อาศัยรูปอันนี้ทำให้เกิดโสกะปริเทวทุกต romo มณอุปาญาตอันนี้ก็เป็นอาทีนวะเป็นโทษของรูปอะไรเป็นอุบายเครื่องสลัดออกจากรูปนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั่นเองเพราะในรูปนั้นเกี่ยวเนื่องกับกรรมอย่างไรนะอันนั้นเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิ แล้วรูปเนี่ยนะเป็นอารัมมณะปัจจัยของกรรมด้วยนแล้วรูปบางอย่างเป็นผลของกรรมรูปที่เป็นผลของกรรมก็ไปเป็นอารัมมณะปัจจัยของกรรมใหม่นะเป็นอุปนิสัยแห่งกรรมใหม่ยางไงรูปก็เป็นเกี่ยวเนื่องกับกรรมมกตกาสมาธที่ทีแล้วต่อไปเองถ้ารู้เรื่องกรรมดีนะก็ตีรณะปริญญาก็พอกพูนขึ้นให้มากๆเห็นไ อันตรณปริญญาโน่นแหละจึงจะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อสูอริยมรรคจริงๆแต่ว่ากรรมสกตาระสัมมาทิฐิเนี่ยเบื้องต้นมันเป็นทิฏฐิเบื้องต้นเป็นของประจำโลกอ่ะนะเป็นเป็นของประจำโลกอ่ะนะกรรมสกตาสัมมาทิฐิซึ่งกรรมสกตาต้องแม่นหน่อยนะเรื่องกรรมกรรมสิสองเนี่ยนะควรเข้าใจให้ดีว่าอาศัยสีอ น, นั้นเนี่ยนะทาให้เป็นอนันตริยกรรมได้ไหมเห็นไหมเป็น ทำชนะ ก, กรรมได้ไหมคือเป็นอา ร, รัมมณปัจจัยให้ชนะ ก, กรรมได้ไหมนะก็ต้องมาวิจัยเรื่องตามพวกนั้นบ่อยๆมากๆนะถ้ากรรมอ่อนการเจริญวิปัสสนาก็อ่อนไปตามนั้นอีกเพราะอะไรเพราะการเจริญวิปัสสนาเป็นเรื่องของคนที่ต้องการจะออกจากวะตฏะนะเห็นความเป็นไปของกรรมอย่างตลอดสายแล้วต้องการจะจะหลุดพ้นจากวัฏะเนี่ยนะคือเหมือนกับคนที่ไปล่องแพนะอ่าล่องแพแล้วก็บอกว่าขณะที่ น้ำมันไหลไปสม่ำเสมอก็ดีแต่ข้างหน้ามีเหวมีที่น่ากลัวอีกเยอะแยะมากมายอ่ะต้องการที่จะขึ้นจากลําน้ำเนี่ยเท่า น, นั้นเองดังนั้นผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็จะในลักษณะนั้นเนี่ยนะก็คือเพื่อที่ต้องการขึ้นบกเป็นพรามเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์คือคนที่ขึ้นบกแล้ว น, นะแต่ถ้าเบื้องต้นของเราก็คือเรื่องกรรมให้แน่นๆก่อนเนี่ยนะถ้าเรื่องกรรมไม่แน่นแล้วก็โหจบเลยผู้ศาสนานเนี่ยหมดเลย ถ้าวิเคราะห์วิจัยอย่างนี้นะจึงจะสมกับคำว่าปริญญานะครับถ้าอย่างนั้นก็ ล, ลอยๆแล้วก็หุ่นๆอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่น่าจะชื่อว่าปริญญาเลยคนระับนี่จะถามอะไรไมั้ยเกกับเรื่องนี้จะได้อนุสนร์ที่ไปเรื่องอื่นไหมมีไหมครับ ไม่มีใช่ไหมครับวันนี้เราทุสิตไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้นานแล้วนะแต่ใหม่ๆมาลรพูดเยอะเหมือนกันนะก็ตอนต้นๆนั้นเอาเรื่องเลือกทึงกันนับห้ากันเลยนะห้าแล้วก็สี่สามสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปใหม่คือความสําคัญของเรื่องเรื่องสีเนี่ยนะ อย่างข้อความในอังคุตพุทธกานิกายอิติวุตธกะปฐมศีลสูตรนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการอันกรรมของตนซัดไปในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลงฉะนั้น ธรรมะสองประการเป็นชนัยคือศีลอัลลามกหนึ่งทิฏฐิอลลาโมกหนึ่งดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการนี่แลอันกรรมของตนซัดไปในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลงฉะนั้นกรรมของใครนะของของคนนั่นแหละของคนที่ศีลไม่ดีทิฏฐิไม่ดีนั่นแหละซัดเข้าไปนรก พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านรชนใดผู้มีปัญญาสามประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้คือศีลอัลลา ม, มกหนึ่งทิฏฐิอัลลา ม, มกหนึ่งนรชนนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกเนื้อความแม่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แล คำว่าปาปะเกนะสีเลนะความว่าอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าความไม่สำรวมอันทําให้ศีลขาดชื่อว่าศีลละมกนะการละเมิดศีลออกไปการล่วงไปอย่างนี้ชื่อว่าศีลอันละมุกในบทนั้นพ่ว่าความไม่สำรวมเป็นศีลเหมือนการไซเพราะความเป็นผู้ทุศีลนั้นจะเรียกว่าศีลอะไรในบทนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ท่านกล่าวสิ่งที่ไม่เห็นในโลกว่าเห็น หรือผู้ไม่มีศีลว่าเป็นผู้มีศีลดังนี้ชันใดแม้ในข้อนี้ท่านก็เรียกว่าก็เรียกไม่มีศีลก็ดีไม่สํารวมก็ดีว่าศีลชันนั้นเหมือนกันศีลเหมือนกันแต่ว่าเป็นศีลดยสํานวนเนี่ยนะแต่ก็เป็นชื่อของความทุศีนั่นเองเป็นความไม่มีศีลหรือกุศลศีลไม่เกิดนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าศีลแม้อยู่ในอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะบาลีว่า นะที่จริงศัพท์ว่าศีลเนี่ยนะแม้แต่อากุศลก็ยังเรียกว่าศีลเหมือนกันนะแต่ศีลอย่างนี้ดีไหมศีลอย่างนี้ไปนรกนะ <laughs> เพราะบาลีว่าดูก่อนครหาบาดีก็ศีลเป็นอกุศลกายกรรมเป็นอกุศลวจีกรรมเป็นอกุศลอาชีวะเป็นอกุศลเป็นฉนัยดังนี้เนี่ยนะศีลเป็นอกุศลก็คือกายกรรมที่มีโทษวจีกรรมที่มีโทษแล้วก็อาชีพที่มีโทษ ลักษณะนี้แหละก็เป็นศีลเหมือนกันแต่ศีลอย่างนี้เมื่อบุคคลปฏิบัติมากๆเจริญมากๆนรกหวังได้นี่นะไม่ใช่ศีลในพระพุทธศาสนาเนาะเพราะฉะนั้นความประพฤติ ช, ชอบทั้งหมดเป็นปกติเหมือนสําเร็จตามสภาพด้วยความคุ้นเคยท่านก็เรียกว่าศีลนะก็คือไอ้คำว่าปกติเนี่ยนะทำอะไรเป็นปกติอย่างเช่น ไปป่าเป็นปกติขับเกวียนเป็นปกติอยู่เมืองเป็นปกติปกติแบบนี้นี่ไม่ได้ทําให้ตรัสรู้อริยสัจอะไรเพราะถ้าแปลศีลว่าปกติเฉยเฉปกติคนชอบแปลนะปกติคนชอบแปลมากีปกติศีตะละนะคือคือศีนตัวนี้มาจากสีตะละแปลว่าปกติปกติเช่นคนที่กล่าวธรรมะเป็นปกติเรียกว่าธรรมวารีอย่างเงี้ยนะแะก็คือมาจาก เกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์เน่ยนะเป็นหลักภาษาเฉยๆมาจากศีรตะนะอย่างเช่นผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นปกติเรียกว่าธรรมจารีอย่างเงี้ยนะครัก็มาจากปกติแต่ทีนี้ปกติอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนวิสุทธิมรรคแล้วเราจะรู้ว่าอะไรคือศีลสมารานะกับอุปทารณะสมาถานก็คือควบคุมกับเป็นที่รองรับกุศลชั้นสูงชื่อว่าชื่อศีลเนี่ยนะลักษณะของเข้าเป็นอย่างนั้นศีลคือ นะศีลที่เป็นกุศลที่ประสงค์ก็คือศีลที่เป็นที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงเหมือนกับแผ่นดินนั่นแหละเป็นที่รองรับของกุศลทุกอย่างศีลมีลักษณะคือเป็นที่รองรับอย่างที่ว่าไปแล้วอะไรอัฐะของศีลอะไรคือศีลนะเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลอวีติกมะเป็นศีลนะอะไรเป็นอาการปรากฏของศีล ความสะอาดกายสะอาดวาจาเป็นต้นเป็นอาการที่ปรากฏของศีลศีลมีกิจอย่างไรศีลก็คือกําจัดความคดทางกายเนี่ยนะกำจัดความเศร้าหมองทางกายกําจัดความเศร้าหมองทางวาจาเป็นต้นนะแล้วก็มีฮิริโอตาปะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีล น, นั่นคือลักษณะที่จตุกะของศีลนะคือศีลที่ที่ประสงค์เป็นศีลที่ดีงามเหมนะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความ พลทข์ที่จะต้องเจริญเนี่ยนะต้องศึกษาต้องพอกภาคเพียนว่า ง, งั้นเถอะไม่มีก็ต้องทำให้มีอะ่ะส่วนคำว่ามิจฉาทิฐิที่จริงมิจฉาทิฐิทุกชนิดนับว่าลามกหมดเลยไม่ดีสักอย่างนะว่า ง, งั้นเถอะแต่ทิฏฐิ ท, ที่ตกนรกแน่นอนก็คืออ่ะนะมิจฉาทิฐินิยตามิจฉาทิฐิสามอย่างะนะ อเฮตุกะทิฐิอกิริยะทิฐิและก็นัฏฐิกะทิฐิในบทนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยศีลอันลามกเป็นผู้วิบัติด้วยประโยคะคนที่อกุโสลศีลดีก็คือประโยคะวิบัติย่า ง, งั้นเหี่บุคคลผู้ประกอบด้วยทิฐิอัลามกผู้วิบัติด้วยอาศยะประโยคะวิบัติอาสยะวิบัติ อประโยคนาก็คือกายวาจาอาชีพเนี่ยชื่อว่าประโยคะนะเกี่ยวกับเรื่องกายวาจาอาชีพถ้าตัวความคิดตัวจิตเนี่ยเาเรียกว่าอาสยะนะอัธยาศัยนะอ่าท่าศีลอันลา ม, มกเรียกว่าประโยควิบัตนะ้าทิฏฐิอันลา ม, มุกเรียกว่าอาสยะวิบัตบุคคลผู้วิบัตด้วยประโยคะและอาสยะเป็นผู้ตกนรกโดยแท้นะ สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการนี่แลอันกรรมของตนซัดไปในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลงฉนั้นเห็นไหมก็ดูเหมือนกับแท้แน่นอนเหลือเกินนะที่จะตกนรกแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามน่นนะฝ่ายดีในทุติยศีลสูตรกล่าวว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้ว เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการอันกรรมของตนนามาไวในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นธรรมะสองประการเป็นฉะไหนคือศีลดีหนึ่งทิฏฐิดีหนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการนี่แลอันกรรมของตนนามาไวในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านารชนใดผู้มีปัญญาประกอบด้วยธรรมะสองประการคือศีลดีหนึ่งทิฏฐิดีหนึ่งนรชนนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์เนื้อความแม่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แลนั่นความสําคัญของของศีลเนี่ยค่อนข้างมีมีสูงมากจริงๆ ในเรื่องศีลนี่ในปฏิสัพิธาให้คำจำกัดความไว้ดูกระทันรัดดีท่า น, นบอกว่าอัธยาของศีลคือ <c oughs> สํารวมและไม่ก้าวล่วงนะท่านพูดไปทันทันน้นรู้สึกว่าจะเข้าใจง่ายขึ้นภราริบุตรวิสุทธิมรรคนี้ก็คัดเอาจากพระสูตรห ล, ลายๆแห่งนะเอาปฏิสัพพิธามรรคด้วยแต่ว่า วิสุทธิมัชนั้นอาศัยเคร้าโครงของปฏิสัมพิธามัชเพราะฉะนั้นผู้ที่จะอ่านวิสุทธิมัชเข้าใจคนนั้นต้องค้นปฏิสัมพิธามัชพอสมควรเพราะว่าท่านได้แนวทางมาจากปฏิสัมพิธามัชในการเรียบเรียงเรื่องเนี่ยนะปฏิสัมพิธามัชเป็นคำภีร์ของภาษาริบุตรนะที่ท่านเรียบเรียงเรื่องขึ้นมาแต่ไม่ใช่คําสอนของท่านตรงๆนะเพราะว่าเป็นของอย่างไรก็เป็นของพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดนั่นแหละ อผมจะเข้าใจผิดหรือถูกนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราเข้าใจว่าถ้าพูดถึงเรื่องสีนี่นะ<ม>ก็จะกล่าวถึงทุจริตทางกายทางวาจานี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าม า, เร า, เ, ราเรามาดูในในเจตสิกเป็นสีนี่นะฮะหรือสังวร น, นี่นะฮะก็จะมีมีการกล่าวถึงทุจริตทางใจด้วยใช่ไหมอัพยาปาท่ก็ดีใช่ไหมครับหรือว่าใชหรือว่าอนาพิชาก็ดีใช่ไหมครับตอนนี้ก็แสดงว่า ต้องกล่าวถึงทางใจด้วยไหมครับะะเป็นการขัดเกลากิเลสก่อนนี้เราคิดว่าทางกายวาจาใช่ไหมครับคือเฉพาะถ้ากายวาจาเนี่ยนะก็ในจตุปริสุทธิ์ที่ศีลสีเนี่ยนะกายวาจาก็คืออะไรคือปาติโมขสังวรเนี่ยนะส่วนอินทร์สังวรเกี่ยวกับเรื่องตาหูจมูกลล่นกายใจแล้วนะทวารหกละปัจจะสานิสิตศีก็คือการพิจารณานนนนเนี่ยนะแล้ ว, นะ ว, ก, ลวก็ อาชีวะปาริสุทธิศีลนั้นก็เป็นเรื่องของการเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจัดการเนี่ยนะแต่ว่าในปฏิโมคสังวรศีลส่วนหนึ่งนี่จะต้องงดเวน้นแต่การงดเว้นเนี่ยนะเราสังเกตดูท่านไม่ได้งดเว้นเฉยเฉยในขณะเดียวกันท่านมีใจกรุณาต่อสัตว์ด้วยเช่นงดเว้นจากการฆ่าก็มีใจกรุณาต่อสัตว์แทนอนะงดเว้นถ้าเป็นพระพิสูจน์เนี่ยงดเว้นจากการลักทรัพย์ก็ถือเอาแต่ของที่เขาให้เนี่ยนะ งดเว้นจากการประพฤติอภรรมอาจารย์ก็มาประพฤติตนเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยนะไม่พูดคําเท็จแต่มาพูดคําสัจคาจริงนะไม่พูดส่อเสียดแต่ก็มาพูดสมัครสมานกันเนี่ยนะมาพูดให้คนสมัครสมานสามัคคีกันบันเทิงร่วมกับผู้ที่สมัครสมานสามัคคีกันแล้วต่อไปนะไม่พูดเพ้อเจอก็มาพูดเป็นหลักเป็นฐานพูดเป็นอัตเป็นพูดเป็นธรรมะแทนเนี่ยนะ ไม่พูดคำหยาบก็มาพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นไ่เป็นต้นเพราะฉะนั้นในในส่วนหนึ่งก็ต้องมาสมาทานที่จะกล่าวคำอย่างยกตัวอย่างพระพิสูจน์นี้พระผู้มีพระภาคให้ตั้งสติสัมปชัญญะถ้าจะพูดไม่ให้กล่าวเดรัจฉานกระถาเนี่ยนะในมหาสุญยตาสูตรเนี่ยกล่าวไว้อย่างนั้นเลยให้กล่าวเฉพาะกระถาวัตถุสิบพงษ์บอกเลยถ้าจะสนทนานนะ ให้สนทนาเป็นกระถาวัตถุสิเจอหน้ากันเมื่อไหร่น้อยที่สุดก็คือคุยเรื่องคุยเรื่องมักน้อยเห็นไหมมักน้อยในอะไรหนึ่งนะมักน้อยมักน้อยในปัจจัย4มักน้อยในปริยัตคือไม่อ้อวดโอ้โหไปจบนั่นจบนี่มานะมักน้อยในปริยัตแล้วก็มักน้อยในทุดงรักษาทุดงก็ไม่ประสงค์จะให้ใครรู้เนี่ยนะแล้วก็มักน้อยใน อธิคมก็คือบรรลุมากผลก็ไม่ต้องการให้ใครรู้นะนเรียกว่ามักน้อยสีสันโดษนะขอน้อ1สนทนาการเรื่องมักน้อยข้อ2เรื่องสันโดษสันโดษคือสันโดษอย่างไรสันโดษก็คือสันโดษตามมีตามได้1น่นะข้อแรกสันโดษก็คือปัจจัย4ตามมีตามได้แล้วก็สัตสันโดษตามกาลังแล้วก็ตามสารูปในปัจจัย4ี่ นะสามอย่างคูณปัจจัย4เท่ากับสันโดษ12เนี่ยนะแต่ในรายละเอียดอีกในเรื่องสันโดษผ้าเนี่ยสันโดษตั้งแต่เย็บตั้งแต่ย้อมตั้งแต่ซักตั้งแต่สแสวงหาเนี่ยนะในชั้นรายละเอียดก็มีมากเข้าไปอีกในเรื่องของสันโดษก็สนทนาการในเรื่องสันโดษสันโดษสันตุทิกถาแล้วก็อะไรอีกเนี่ยนะวิริยารมภาคถาก็คือพูดถึงเรื่องของการปราลบความเพียร พูดปาลบความเพียรพูดยังไงนะฟังสูตรนี้ดูในอาตาปีสูตรบอกว่าพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลายทิกสุตผู้มีผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตะ ป, ปะนะไม่มีวิริยะไม่มีโอตตะ ป, ปะก็คือไม่มีความเกรงกลัวต่ออกุศลธรรมเนี่ยนะ ไม่ควรเพื่อจะตรัสรู้ไม่ควรเพื่อนิพพานไม่ควรเพื่อจะบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมนะก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่มีความเพียรไม่มีโอตะปะนี่ไม่สมควรบรรลุมรรคผลนั่นดูความพิสูจทั้งหลายพิสูจผู้มีความเพียรผู้มีโอตะปะควรเพื่อจะตรัสรู้ควรเพื่อนิพพานควรเพื่อจะบรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดไม่มีความเพียรนึกถึงอะไรนะความเพี้ยนนี่สัมมารประธานสี่นะโอ้เก่งมากเก่งมากนะนะไม่มีโอตะปะไม่มีโอตะปะก็คือโอตะปะก็คือไม่เกรงกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตไม่เกรงกลัวต่ออคุโสลธรรมอัลลามกนั่นแหละ เกียร์ครานมีความเพียรเลวมากไปด้วยทีนะมิทะไม่มีฮิริไม่เอื้อเฟื้อภิกษุเช่นนั้นไม่ควรเพื่อจะบรรลุญาณเป็นเครื่องตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนะครียกว่ากุศลธรรมชั้นสูงๆเนี่ยไม่มีอุปนิสัยให้ให้เกิดเลยนะส ม, มประทานไม่มีแล้วอาชาณกุศลมรคากุศลเป็นต้นขาดอุปนิสัยคือความเพียรเนี่ยนะ บางท่านกล่าวว่าเอเราเองเนี่ยสงสัยไม่มีบุญวาสนามากไม่ได้บรรลุถ้าคิดอย่างนี้ถูกไหมหลายท่านเนี่ยนะอุปนิสัยที่จะให้บรรลุทำ ม, มีแต่ประโยคน้าวิบัติเลยไม่ได้บรรลุทำนะคนที่ประโยคน้าวิบัติทําให้ไม่ได้ตรัสรู้ทำในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีหลายท่านยกตัวอย่างเช่นพระพระสุธินตนบัญญัต ปฐมปาราชิกนะ ท, ที่เสดเมถุนเจ้าแรกเลยพระสุเทีนถ้าไม่ไม่ไม่เสดเมถุนท่านจะเป็นบรรลุเป็นพระอริยะเนีย่ยนะท่านมีอุปนิสัยแต่ว่าเพราะได้ปาประมิตรคือแม่เนีย่ยนะก็เลยทำให้ไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยที่สองก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้ก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะครบพระเทวทัต อีกคนหนึ่งก็ประโยค้าวิบัติเองก็คือไม่นั่งฟังธรรมให้จบสูตรเนี่ยนะรีบลุกไปก่อนอันนี้ก็ไม่ไนในบรรลุนายเปเสศหัดฐาจานนั้นก็ก็เหมือนกันอุปนิสัยมีแต่ว่าไม่ฟังธรรมให้จบนะอีกท่านหนึ่งก็มีอุปนิสัยมรรคผลเหมือนกันพระแสดงธรรมไม่จบอริยสัจนะภาษาดิบุตรเนี่ยไปแสดงธรรมถึงพรหมโลกแล้วก็ไม่ไประชุมอริยสัจนะ คนฟังจะได้บรรุก็เลยไม่ได้บรรุเลยแล้วคนแสดงไม่แสดงอรยสัจนะตอนท้ายแบบนั้นเนี่ยนะและอีกเจ้าหนึ่งก็คือลูกของเศรษฐีลูกของเศรษฐีเนี่ยถ้าบวชตั้งแต่นหนุ่มจะเป็นพระอรหันต์ภรรยาถ้าบวชตั้งแต่สาวจะเป็นพระอนาคามีเป็นต้นแต่ทั้งคู่ไม่บวชเลยเล่นการพนันน้ำงอมพรามเลยนะขอทานกินเลยตอนจบงเพราะฉะนั้น ผู้ที่มีอุปนิสัยนั้นถ้าขาดความเพียรพยายามก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปอ้างเออบุญน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยพอรู้ว่าน้อยก็เลยเลิกเลย <c oughs> นะถ้ารู้ว่าน้อยถ้าขยันมากไปยิ่งเจ้ะนะ <c oughs> ส่วนภิกษุใดมีสติเนี่ยนะสตินะนะถ้าพูดสติยางไ้เท่ากับสัมมาสติเข้ามาแล้วนะถ้าพูดคำว่ามีสติก็คือสติประฐานสี่ สตินีสติพละสัมมาสติเนี่ยนะสติสามโพชฌงเนี่ยมาแล้วมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนนะอันนี้ก็เท่ากับปัญญามาล้สายปัญญาทั้งหลายแหละมีฌานนะลักขณูปนิสฌานและอารัมณูปนิสฌานมีความเพียสมมรสมปทานเข้ามามีโอตตปะไม่ประมาทเนี่ยนะไม่ปล่อยใจไปกับกรมคุณทั้ง5้าด้วยอำนาจอากุศล ตัดกิเลสชาติเครื่องประกอบไว้ด้วยชาติชราขาดแล้วเนี่ยนะตัดกิเลสก็คือตัดตันหาที่เป็นสมุทัยสัตต์ตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ใดบุคคลเมื่อจะละก็ละที่นั่นแหละเนี่ยนะก็สามารถตันหาอันนี้ซึ่งเป็นปัจจัยให้นำเกิดปฏิสนธิในพบใหม่พึงบรรุญยานอันเป็นเครื่องตรัสรู้ยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แหลเนี่ย เพราะฉะนั้นศาสตร์ทั้งหลายจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร น, นะพระองค์นี้ทรงยกย่องความเพียรมากน ะ, ะพระสูตรเยอะมากที่พระองค์ทรงยกย่องความเพียรตั้งใจว่าจะอยากจะรวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องที่สอนว่าพระองค์นี้ให้เพียรกี่อย่างกี่วิธีเนี่ยนะกะเทศจะรวบรวมแต่ยังไม่มีบุญเลยยังเลยประโยรับแล้วสนับสนุนประโยชน์ครับสนับสนุนความเพียรพยายามมากนะถ้าอ่อนความเพียรเนี่ยพระพุทธเจ้าตำเหนียมากนะ พระองค์ตำหนิมากท่าทาไม่พยายามเลยสมมติว่าเออฉันเสร็จก็เข้ากุฏินั่งใช่อย่างเงี้ยไม่ได้ตรึกธรรมะนะปล่อยใจเป็นอกุศลเมื่อไหร่ก็ถูกตำหนิแล้วสมัยพุทธกาลพระเวลาท่านจะไปรับกรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคแล้วนะฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคที่ใดถ้ามีพระภิกษุอยู่นะสมมติท่านจะเดินจงกรมหรือจะนั่งหรือจะอะไรก็ตามท่านจะต้องทำอาสนะก่อน นะถ้ามีที่มีอาสนะก็จะตัดแต่งอาสนะไว้อย่างเรียบร้อยถ้าไม่มีก็ไปหาใบไม้มากองกองกองแล้วเอาจีวรเนี่ยปูไว้แล้วก็เจริญกรรมฐานหรือปฏิบัติธรรมหรือสนทนากันเพราะเพราะอะไรท่านบอกว่าเพราะว่าในช่วงนั้นอะถ้าขณะที่พิสูรรูปได้รูปหนึ่งปล่อยใจให้เป็นไปกับอากุศล น, นะพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาละถ้าพระองค์เสด็จมาเนี่ยเออมัวแต่หาที่นั่งอะไรก็เสียเวลามาถึงพระองค์ก็ได้ประทับนั่งเลย เรียกว่าจัดอาสนะไว้เรียบร้อยบอกโอ้เธอรับกรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคชไหนจึงไปปล่อยใจให้เป็นบาปอกุศลอย่างนั้นอย่างนั้นไนี น, นะพระ อ, องค์เนี่ยจะมาเลยมามาแป๊บเดียวก็ไปแล้วนี่นนะอันตรธานมาแวบเดียวเนี่ยนะมาบอกว่าเออเป็นอกุศลเนี่ย น, นะเธอเนี่ยรับกรรมฐานจากเราตถาคตจะมาปล่อยใจให้เป็นอกุศลได้ยังไงนี่นะเพราะฉะนันนะ้นเขามีความเพียรพยายามอย่างมากเลยไม่ใช่แล้วแต่แล้วแต่อย่างอื่นเนี่ย น, นะ เพราะว่าพระองค์นี่เป็นผู้ที่รู้จักปัจจัยของกุศลเป็นอย่างมากเนี่ยนะการยานามิตรเนี่ยเป็นปัจใจที่กระตุ้นในเรื่องการทํากุศลเป็นอย่างมากเลยอ่าอย่างยกตัวอย่างพิสูรรูปหนึ่งเนี่ยนะที่มีความเพียรพยายามเนี่ยเพราะพระองค์เป็นการยานามิตรท่างก็ยกตัวอย่างว่าในอดีตการเนี่ยมีคนที่เขาขุดขุดเข้าไปในทะเลทรายเนี่ยนะแล้วมันกันดานน้าอ่ะพอมันกันดานน้ามันก็มีที่พุ่มไม้อยู่พุ่มหนึ่ง นะคนผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งก็มองว่าเออข้างล่างนี่มีน้ำแน่ก็เลยบอกว่าเออท่านทั้งหลายมาร่วมกันขุดบอ่อน้ำนะออนะเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็เลยมาช่วยกันขุดพอไปเจอเหินเจอเหินเนี่ยคนก็เลยเลิกเลยก็มีอยู่คนหนึ่งนะหัวหน้าก็เลยให้กำลังใจคนนี้ก็เลยทุบหินใหญ่เลยแต่แล้วพอหินมันแตกน้ำก็พุ่งขึ้นออนะ เขาบอกว่าคนคนนี้พอมาชาติสุดท้ายพระองค์ก็ให้กําลังใจลักษณะเดียวกันเขาก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเพระั้นความเพียรพยายามนั้นเป็นกิจที่จะต้องจะต้องทำนะความเพียรความพยายามความบากบัน่นไม่ใช่ตามคําว่ายะถากร ร, รมเนี่ยเราฟังดูในทไตรีบิดกในหรือในอตอกถาใช้หลายแห่งไปตามยะถากรรมคือคือถ้าหากว่าคนสมัยก่อนเขาศึกษาเรื่องกรรมมาเป็นอย่างดี อเมื่อเมื่อฟังเรื่องกรรมมาเป็นอย่างดีเรื่องกรรมสิบสองกรรมสิบหกเขาฟังมาอย่างแตกฉานแล้วเนี่ยพอใช้คําว่าตามยะถากรรมเขาเข้าใจเลยของเราเอาว่างตามยะถากรรมเลยแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเสร็จก็ไม่ทําอะไรสักอย่างอนะอนนะถ้ายิ่งรู้ว่ามีกรรมเป็นของของตนน่ะนะจะต้องรีบรีบทํากุศลมากๆขึ้นแค่ ด, ดูนะในใ น, ในการเจริญพรมหมฐานนะถ้าเราโกรธคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะ เอาเรื่องกรรมมาปาราเลยเออถ้าเรากโกรธเข้าอย่างนี้แล้วเนี่ยไอความโกรธอันนี้ทําให้ได้บรรลุมรคนิพพานไหมเนี่ยเอาเรื่องกรรมมาจับเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องกรรมมาจับไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกียรติคร้านแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเนี่ยนะถ้าคนฟังไม่ดีก็จะเป็นเหมือนกับว่าสอนให้เกียรติคร้านแต่ที่จริงแล้วพระองค์แสดงเรื่องกรรมถ้าฟังเรื่องกรรมก็ต้องฟังให้จบว่ากรรมดํามีวิบากดํากรรมขาวมีวิบากขาว กรรมทั้งดําทั้งขาวทั้งบุญทั้งบาปก็ให้ผลทั้งสุขและทุกข์นั่นแหละถ้ากรรมไม่ดําไม่ขาวอาริยมรรคเนี่ยนะเป็นตายเพื่อสิ้นกรรมถ้าจะใช้คําว่ากรรมก็ควรพูดให้จบนะกรรมสมัตทานบางอย่างขณะที่ปฏิบัติก็ให้ทุกข์ใช่ไหมแต่ผลเป็นสุขอย่างเงี้ยก็ควรจะพูดให้จบไม่ใช่ว่าเอ้แล้วแต่กรรมเสร็จแล้วก็พอละลายเป็นเฉยแฉะไปเลยเนะอะไรว่าเข้าใจผิดอย่างยกตัวอย่างว่า เขาพูดแตเจ้าสอนเรื่องสันโดษมากน้อยก็เลยขี้เกียจเลยมีที่ไหนสอนให้ขี้เกียจมีแต่ปารบความเพียรใช่ไหมกระถาที่วัตถุก็คือข้อที่3ก็คือปารบความเพียรต่อไปอีกการไม่คลุกคลีการไม่คลุกคลีด้วยการเห็นเป็นต้นนั่นเองการคลุกคลีด้วยการพูดคุยนะด้วยการผูกมัดซึ่งกันและกันอันนี้เรียกว่าเป็นการคลุกคลีคลุกคลีด้วยการเห็นด้วยการได้ยินด้วยการ ร่วมใช้สอยเข้าของเครื่องใช้ซึ่งกันและกัน อ, อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการคลุกคลีอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่คลุกคลีอะไรอีกวิเวกเนี่ยนะสนทนาเรื่องวิเวกการย่วิเว ก, กวเวกนี่ยนะความสงบ โ, โอ้ไปอยู่เจริญกรรมฐานที่ตรงนั้นเงียบเนี่ยโอ้กุสนเจริญมากเลนะต้องเอาเรื่องนี้มาสนทนากันบ่อยๆนะการย่วิเวกแล้วก็จิตวิเวกสนทนาเรื่องสมถะเนี่ยนะ แล้วก็อุปธิวิเวกก็สนทนาธรรมะที่เป็นไปเพื่อนิพานนะมักน้อยสันโดษปราลบความเพียรไม่คลุกคลีแล้วก็วิเวกต่อไปศีแลแคถาสนทนาเรื่องศีลเลยนะสนทนาเรื่องจตุปริสุทธิ์ศีลเป็นต้นนะแต่ละข้อแต่ละหมวดแต่ละหมวดเป็นอย่างไรนะแล้วก็สนทนาเรื่องสมาธิคถาสมถะทั้งหมดเลยเอามาสนทนากันแล้วก็ปัญญากถาเนี่ยนะปัญญากถาก็คืออะ พูดถึงปัญญาก็หมายถึงอารมณ์ของปัญญานั่นเองหมายถึงขันธ์ธาตุอายตนะอริยสัจเป็นต้นซึ่งเป็นอารมณปัจจัยของปัญญาเนี่ยนะถ้าพูดถึงคําว่าปัญญาก็เท่ากับพูดถึงอารมณ์ของปัญญาอยู่แล้วถ้าพูดถึงอารมณ์ของปัญญาก็เท่ากับพูดถึงปัญญาอยู่แล้วเนี่ยนะนัยยะตรงกันข้ามเพราะจิตกับเจตสิกอย่างไรก็ต้องรู้อารมณ์ใช่ไหมพูดถึงขันธ์แสดงว่าธรรมะที่ไปรู้เรื่องขันธ์ก็ได้แก่ปัญญาเนี่ยนะเราต้องมองทั้งสองฝ่าย ผู้เรื่องวิมุตต์นะวิมุตต์ก็คือความหลุดพ้นเนี่ยนะมรรคผลนั่นเองคุยเรื่องมรรคเรื่องผลแล้วก็สุดท้ายปัจเจกนะวิมุตติญาณทัทสนะก็คือปัจเจกขณะยานนั่นเองนะพูดถึงการพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่หลังยังเหลืออยู่นะถ้าหากว่าจะสนทนาก็สนทนาด้วยกระทาวัตถุสิบนี้ ถ้าไม่สนทนาก็ควรนิ่งแบบพระอริยะคือการเจริญกรรมฐานหรือโยนิโสมนัิการนะทั้งการสนทนาทั้งโยนิโสมนัิการก็เป็นปัจจัยแก่สมัมมาทิฏฐิทั้งคู่ในสมัยพทุทธกาลนี่น่าบ่นนะครับก็อยู่ในสายตาของพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดเวลานะครับไม่ว่าอยู่ไกลใกล้ยัยยงไงเราไม่กล้าเลยครับที่จะคิดนอกลู่นอกทางเลยตอนนี้ก็ใกล้พระองค์เหมือนกัน นี่ไงเอาไปคนลเล่มคนอลเล่มไม่อ่านเขานะฮะทำไมก่อนนี้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทําอย่างไรจึงจิตจะเป็นกุศลนี่ไม่ง่ายเลยครับทําอย่างไรจึงจิตจะไม่เป็นอกุศลนี่เช่นครับถ้าตอนนี้จะละค่อยหาสิ่งที่ล่วงไปแล้วอยู่ด้วยกันคือถ้าหากว่าเรามีบุญเนี่ยนะเราก็คงได้เกิดในยุคนั้นละตอนนี้จะ ว่าเอเราเนี่ยเอาคิดเรื่อยมาเรื่อยบ่อยแล้วเกินนั้นไงคือคือผ่านมาบ่อยมาก น, นะผ่านมาบ่อยแล้วก็การสนทนาบางอย่างนึกนึกถึงว่าเออความเพียรไม่ค่อยเกิดนะแต่ก็คือถ้าหากว่าเราพูดถึงสมัยของพุทธการหรือสมัยที่พระพุทธมีประภาสยังทรงพระชนอยู่เนี่ยนะทำให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือคนเขามีบุญนะเขาเกิดในยุคนั้นเนี่ยนะเขามีบุญได้เขามีศรัทธามีรีโอตปะ ได้เพียรได้พยายามได้บากบัตรในกุศลธรรมของเราเนี่ยถึงจะเกิดหลังก็ไม่เป็นไรนะคำสอนก็ยังเหลืออยู่ถ้าเรามีความเพียรพยายามมีโยนิโสมนสิการใส่ใจอย่างเย็บคายตรึกพิจารณาเพ่งไปตามคำสอนเราก็คงจะได้รับผลเหมือนกันนะเนาะอาจารย์ครับขออนุ ญ, ญาตเสริมนิดนึงค่ะท่านได้ไปอ่านปุณณนะเถราคาถานะเอกนิบาต ท่านบอกว่าในโลกนี้ศีลเท่านั้นเป็นเลศิศแต่ว่าผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดความชนะย่อมมีเพราะศีลและปัญญาทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาแล้วท่านก็อธิบายอาาัตกถาตอนหลังท่านบอกว่าอธิบายว่าจะชนะประปักษ์ได้จะชนะกามกิเลสได้เพราะศีลและปัญญาเป็นเหตุดังนี้ท่านก็ยกศีลศีลเ น, นี่ยนะ กิดร่วมกัจิตดวงไหนบ้างศีลเกิดร่วมกับมัคจิตนะในในอริยมัสมีองค์8เนี่ยนะท่านสงเคราะห์ได้เป็นขันสามสงเคราะห์มัชเนี่ยเป็นขันสามก็คือสมมาวาจาสมมากรรมตะสมมาชีวะเป็นศีลขันสมมาทิฏสมมาสังกัปปะเป็นปัญญาขันสมมาวายมะสมมาสติสมมาสมาธิเป็นสมาธิขัน สัมมาทิฏฐิเป็นเป็นปัญญาโดยชาติตัวเขาเองเป็นปัญญาจริงๆแต่สัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาโดยกิริยานะโดยพฤติกรรมนะโดยโดยการกระทำเพราะเขาเขาท่านจึงอุปมาบอกว่าเปลือกตาเนี่ยนะการการที่เราจะดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะให้ตาเปลือกตาพลิกเองเนี่ยพลิกไม่ได้ต้องใช้มือพลิกว่างงือนกันังนั้นสัมมาสังกัปปะเป็นกิริยาที่เกื้อกูลต่อ ปัญญาแต่ทั้งสามตัวนะอธิศีลสศิขาทั้งสามอย่างเลยนะก็เป็นเป็นโดยชาติแต่สมาธินี่สัมมาสมาธิเป็นสมาธิโดยชาติสัมมาสติกับสัมมาวายามะเป็นสมาธิโดยกิริยาเกื้อกูลต่อเกื้อกูลต่อสัมมาส ม, มาธินะบอกว่า ในสัมมาสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยเหมือนกับเพื่อนสามคนจะไปเที่ยวงานประมาณนั้นไปเที่ยวงานผ่านไปก็เห็นดอกจำปางามก็เห็นดอกจำปาก็จะเด็ดมาพัดหูเลยจะไปเที่ยวอ่าอีกเพื่อนคนหนึ่งก็เลยเอื้อมมือไปจับดอกสูงไม่ถึงเนี่ยใช่ไหมเพื่อนคนหนึ่งก็ก้มหลังให้เลยอ้ามายืนบนชั้นสินะก้มหลังให้เลยนะก็ทีนี้ เหยียบบนหลังกันเฉยเเนี่ยนะก้มให้เหยียบเนี่ยมันก็สั่นใช่ไหมอีเพื่อนคนหนึ่งไม่เป็นไรเอาจับบาผมก็แล้วกันแล้วก็เด็ดดอกได้ได้เพราะฉะนั้นในสัมมามัติทั้งสมตัวเนี่ยนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมามสมาธิก็จะลักษณะเดียวกันจะเกื้อกูลเหมือนกับสหายสามท่านเนี่ยนะวันกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะไม่ใช่อย่างใดยอย่างหนึ่งในบรรดาสังคตธรรมทั้งหมด สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอะไรประเสริฐที่สุดนะ <c oughs> สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะอริยมรรมครประกอบด้วยองค์แปประเสริฐที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดพราะัในบรรดาธรรมะทั้งหมดทั้งที่เป็นสังฆตะอสังฆตะนิพพานประเสริฐที่สุด <c oughs> เพราะฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยเกิดจากปัจจัยที่ประชุมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมหรือจะแทงตลอดปฏิจจสมุปบาท หรือแทงตลอดอริยสัจนั้นอะ่ะคนนั้นจะต้องมีอภินิหารเป็นต้นเป็นผู้ที่มีอภินิหารก็คือคนที่ตั้งความปรารถนาไว้แล้วอนะคนที่ได้ตั้งใจไว้แต่แต่ปางก่อนไม่ใช่อยู่ๆก็มาถึงก็บรรลุเลยอย่างงี้ไม่ใช่นะอย่างพระ อ, อ น, นุนเป็นต้นท่านก็มีอุปนิสยัยบุญบารมีได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้วของเราถ้าตั้งความปรารถนาไว้แล้วเราก็สําเร็จแน่นอนแต่ถ้าไม่สําเร็จอะ่ะ ถ้าไม่ทําถ้าตอนนี้ชาติหน้าเดี๋ยวก็บอกไม่มีอุปนิสัยอีกก็เลยเฝ้าต่อไปอีกใช่ไหมพระชาตินี้ไม่เพียรพยายามไปเจอชาติหน้าโอ้ยผมเนี่ยอุปนิสัยน้อยบุญน้อยคงไม่ได้บรรลุหรอกก็เป็นอย่างนี้เรื่อยเรื <laughs> ่อยรื่องเพบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว <laughs> นะถ้าใครอ่านชาดกบ่อยๆเนี่ยนะถ้าพระรูปหนึ่งไปบินทบาทไม่สำรวมตาเนี่ยนะไปไปแอบชอบใครสักคนมาเนี่ย ผมก็บอกโอ้ยเรื่องเคยมีมาแล้วนะไปติดใจแบบนี้ไม่ใช่ชาติเดียวเท่านั้นหรอกเย่างนั้นนะผงก็จะเล่าชาติดกให้ฟังเลยว่าเออเรื่องเคยมีมาแล้วจริงๆอ่าเพราะฉะนั้นของเราถ้าเพียรพยายามบากบั่นนะเรื่องเคยมีมาแล้วนะอุบาสกคนนั้นเนี่ยพยายามไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นนะชาติที่แล้วก็ขวนขวายแบบนี้แหละอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีบุญเนี่ยก็อย่างว่าเนาะไ เรื่องเนี้ยหรอคะก็ท่านบอกว่าในโลกนี้มีศีลเท่านั้นที่เป็นเลิศน ะ, ะแต่ว่าผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดความชนะย่อมมีเพราะศีลและปัญญาทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาศีลทาให้ชนะกิเลส น, น, นะชคป็นเพราะว่าที่จะชนะปรปักษ์ได้ก็ได้จะชนะการมากิเลสได้ก็เพราะศีลและปัญญานะค ถ้า<น>ท่านเคย เ, เคยบวชเป็นพระษีแล้วก็เคยเผาว่าปเจกัพุทธเจ้าเพราะว่าได้ได้แสงได้เห็นแสงสว่างที่เงื้อมผาที่เงื้อมเขาฮะแสงสว่างมากลุกโครงท่านก็หันไปทางนั้นแล้วก็มองดูข้างโน้นข้างนี้เพื่อจะพิสูจน์ว่ามาจากไหนก็เห็นร่างของ ขันของ พ, อพอระพุทธเจกนอนอยู่ปลรินิาพานแล้วท่านก็เลยเอาไอ้ไปเผาอะฮะเอาไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็พร้อมด้วยน้ำหอมไปเผาท่านแล้วเ ท, เ ท, เ ท, เทวดาองค์หนึ่งเทพบุตรนะยืนอยู่ในอากาศแล้วก็สรรเสริญท่านแล้วก็บอกว่ากรรที่ยังสัตว์ให้ไปสู่สุคติอันท่านผู้ประสบบุญใหญ่บําเพ็ญแล้วด้วบุญนั้น ท่านจักเกิดในสุขติภพเท่านั้นท่านจักมีนามว่าปุณณะในดังนี้ไงค่ะแล้วพอในสมัยพุทธทุบบาทการนี้นะท่านเกิดในตระกูล ข, ขหาะาบดีอยู่ที่สุนาปรันตะชนบทนามว่าปุณณนะแล้วก็ได้ได้ไปกับกองเกวียนแล้วก็ไปถึงพระนครสาวัตถี แล้วก็ได้ไปฟังธรรมพร้อมกับอุบาสกคนอื่นๆแล้วท่านก็เลยแล้วไปขอว่าเตยย่อเพื่อไปปฏิบัติแล้วพระเจองค์ก็เลยประทานให้บอกว่าดูก่อนพุนนะรูปทั้งหลายที่ฟังขอโทษนรูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยจักสุมีอยู่แลแล้วก็ทรงบรรลือสีหนาศทรงท่านไปท่าน ท, ท่านกล่าวไว้แค่นี้นะคะไนนี้ท่านก็กลับไป สุนาปรันตะชนบทขวนขวายสมถาวิปัสนากระทาวิชาสารให้แจ้งแล้วพระเถระแสดงความที่ศีลและปัญญาเป็นเลิศประเสริฐโดยเหตุในบัทนี้ว่าความชนะย่อมมีทั้งศีลและปัญญาทั้งในหมู่มนุษย์และหมู่เทวดาดังนี้ค่ะอันนี้จบในพระสูตรโดยย่อก็ดูในปุนโนวัทสูตรนี่แหละมัชฌิมนีกายอุปริปันาฏ ในปุณโนวัฏสูตรตรงนั้นก็กล่าวถึงรายละเอียดความเป็นไปของพระปุณณะอย่างดี <c oughs> ในในปุณโนวัฏสูตรนันะนะจะเล่าเรื่องความเป็นไปจนถึงท่านดับขันปฎิณิพานด้วยแต่ก็คือในพระสูตรนั้นเนี่ย น, นะที่พระปุณณะเข้าไปฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคไปขอโอวาทโดยย่อๆเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงโ <c oughs> อวาทโดยย่อเหมือนกัน ทีพระ อ, องค์แสดงว่าดูก่อนปุณนะวังนั้นรูปที่รู้ได้ด้วยจากสุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นะนะอ่ายัย่วยวนชวนให้กำหนัดเนี่ยนะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเนี่ยนะถ้าทิสุเพลิพดเพลินพูดถึงดำรงอยู่นะถ้าความเพลดิดเพลินมีเดี๋ยวถ้าความเพลดิดเพลินเกิดทุกข์ก็เกิดนะปุณนะแล้วก็พระ อ, องค์ก็แสดงฝ่ายดับนะในทาวารทั้ง6 พระพุณะก็อาศัยนิยะแห่งสูตรนี้ก็ไปปฏิบัติตามก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่น <c oughs> ใช่ก็คือพิจารณารูปใช่หมรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุที่น่าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเนะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดบางสำนวนเขาบอกว่าแปลว่ายั่วยวนชวนให้กำหนัดเนี ني, ่ยนะถ้าภิกษุเพลิดเพลินเพลิดเพลินนี้เป็นรูปเป็นสจัจจะไห เป็นเป็นสัจจะไหนรูปเ ป, รเป็นทุกขสัจเนี่ยนะเพลิดเพลินยินดีดํารงมั่นติดใจเนี่ยเป็นสมุทัยสัจเนี่ยนะและพระองค์บอกว่าถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณณะเนี่ยนะทุกขสัจก็เป็นไปอย่างนี้แล้วถ้าหากว่าฝ่ายนิโรธสัจอะฝ่ายนิโรธสัจกับมรรคสัจก็คือรูปที่ว่าไปนั่นแหละแต่พิสูจไม่เพลิดเพลินเนี่ยนะ ไม่เพลิดเพลินไม่ยินดีก็คือละความเพลิดเพลินได้อะนะทุกก็ ด, ดับด้วยนะปุ่นน ะ, ะดับได้ยังไงเนี่ยนะก็ดับด้วยการละความเพลิดเพลินถ้าใช้คำว่าละละกี่อย่างนะห้า <5 S 1> <5 S 2> อย่างนะหนึ่งประทางข่าประหารวิขมพระนประหารสมุเชทะประหารปฏิปสัสสติประหารและนิสรณะประหารเนี่ยนะ อในอาร Kathy, 5, 5, มณ์อารมณ์เดียวเนี่ยนะพยายามสงเคราะห์ปะหาหน้าห้าลงนะสีเนี่ยเป็นอารัมมณะปัจจัยของตทางข้าปะหารได้อย่างไรนะใช่ไหมสีเป็นอารัมมณะปัจจัยของวิขมพนะปะหารได้อย่างไรสีเป็นอารัมมณะปัจจัยของสมุทเฉทาปะหารไม่ได้แต่เป็นอารัมมณะปัจจัยให้วิปัสนาได้วิปัสนาเป็นอุปนิสัยแก่สมุทเฉทาปะหารได้เพราะสมุทเฉทาปะหารมี นิพพานเป็นอารัมมณะปัจจัยนะี่นะผมไปกรุงเทพมีใครจะฝากซื้อก็ได้นะมันซื้อชอบใจเล่นไหนก็บอกแต่ว่าสูตรหนึ่งน่าหน้าฟังยนะอยนะนายปฐมกูห a าสูตรว่าด้วยแนวปฏิบัติพรหมจรรย์นะประสูตรนี้บางท่านก็ก็ศรัทธามากเลยนะจดเอาไปเขียนไว้ติดฝาเลยสำหรับนักบวชนะ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 ไม่อยู่ประพฤติเพื่ออนิสงค์คือลาบสการะความสารเสริญไม่อยู่ประพฤต์ด้วยคิดว่าชนจงรู้จากเราด้วยอาการอย่างนี้ดูการพิสูนทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์ น, นี้ภิกษุย่อมอยู่ประพฤต์เพื่อการสํารวมนะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสังวรห้าและเพื่อการละนะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปหานะ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 พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีประโยชน์ใหญ่ผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ทรงดำเนินไปแล้วช น, ลชนเหล่าใดชนเหล่าใดย่อมปฏิบัติพรหมจรรย์นั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้วชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นผู้กระทําตามคําสั่งสอนของภาษาสดาจักกระทําซึ่งที่สุดแห่งทุกขได้เนี่ยนะก็คือให้ตั้งเป้าหมายของการศึกษาและการ ปฏิบัติตามคำสอนว่าการศึกษาการเรียนรู้การฟังเป็นต้นเนี่ยนะที่ถูกต้องก็เพื่อสังวรกับปหานะนะสังวรเล็กๆ่นเล็กๆลน้อยเพื่อสังวรมากมากขึ้นนะจากสังวรที่เป็นสีละสังวรก็ให้เป็นสติสังวรถ้าได้สติสังวรก็จะได้ญาณสังวรวิริยะสังวรขันติสังวรเนี่ยนะ ก็จะได้สังวรชสูงๆงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะสังวรมากขึ้นดังนั้นการเจริญกุศลธรรมที่ถูกต้องสังวรต้องมากขึ้นเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าสังวร น, น้อยแสดงว่ามิจฉาปณิที่ได้ตั้งไว้ในจิตแล้วละ่ะเพราะอะไรเพราะว่าหิเรโอตาปะจะต้องเกิดมากขึ้นยิ่งขึ้นนะละอายต่ออกุศลธรรมมากมขึ้นแต่ถ้าหากว่าศึกษาคําสอนหรือฟังคําสอนแล้วหิเรโอตาปะเกิดน้อยก็แสดงว่าเราตั้งจิตไว้ผิด ไม่ใช่คําสอนไม่ถูกแต่เราตั้งจิตไว้ผิดใช่ไหมคะเพราะในนี้ท่านบอกว่าท่านขนขวายสมถาวิปัสนากระทาวิชาสามให้แจ้งนี้วิชาสามนี่หมายหมายถึงอวิชาสามก็คือหนึ่งบุพเพนิวาสานุสติยานก็คือระลึกชาติได้นะข้อสองก็จุตูป ป, ปาตยานก็เห็นสัตว์จุติและ ปฏิสนธิก็สา 3, ก็อาสวัคใ ย, ยานก็คือทําอาสวัให้สิ้นไปก็คือการแทงตลอดอริยสัจนั่นเองแต่ว่าพระปุณณะนั้นได้ปฏิท่านเหาะได้นะพระปุณณะนี่เหาะได้เหาะได้นะภาพปุณณะนี้เป็นพภาพรหั์ที่ที่เหาะได้แต่ท่านยกวิชาสามขึ้นเป็นเป็นประธานแต่ท่านต้องได้อภิญญาหกอยู่แล้วท่านเหาะได้ท่านแสดงฤทธิ์ได้นั ใ น, ในปุลโนวาทสูตรเนี่ยนะรายละเอียดเรื่องของท่านค่อนข้างยาวนะนะในปุลโนวาทสูตรก็เล่มเดียวกันกับอนาถปีนที่โกวาทสูตรนะ่นะโอวาทวักนะนะดูได้เลยครับเชิญชวนบนครับ